ทีนี้ถ้าน้อมไปเพื่ออย่างนี้บ่อยๆเนี่ยถามว่าต้องการตาหูจมูกลิ้นกายใจในภพใดภพหนึ่งอีกต่อไปไหมก็ไม่ต้องการเพราะว่าถ้าเราต้องการก็คือต้องการทุกนันแล้วนะก็ต้องการทุก น, นะปกติถ้าต้องการทุกมันก็ไม่พ้นไปจากทุกเพราะฉะนั้นจิตก็หันกลับนนะภาษาหนึ่งก็เรียกว่าจิตถอยหลังกลับจากตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้ถ้าถ้าเป็นตัวอย่างสังเกต น, นะย่อๆก็ถอยกลับจาก ตาหูจมูกเลนกายใจอนี้ตามเห็นอยู่อย่างนี้บ่อยๆเนี่ยก็จะมากไปได้ไปด้วยความเบื่อหน่ายในตาหูจมูกเลนกายใจเพราะฉะนั้นมุ่งเพื่อที่จะคลายกำหนัดจากตาหูจมูกเลนกายใจมุ่งจะไม่ต้องการสร้างแต่ว่าต้องการดับตาหูจมูกเลนกายใจนะถ้าผู้ที่ต้องการดับเนี่ยนะก็ต้องบริจาคตาหูจมูกเลนกายใจไม้บริจาคยังไงหนอ หมายบอกคำว่าบริจาคบริจาคคหมายถึงละวิปลาสในตาหูจมูกเลนกายใจเพราะให้ธรรมดาเขาไม่ค่อยเอากันแล้วเขาก็แต่ก็สมัยนี้ดีนะมีการชาติคอยรับบริจาคอยู่นะแต่ถ้าธรรมดทั่วๆไปก็ยา ก, ก น, นะไม่ค่อยมีใครรับบริจาคนะเขาก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรเหมือนกันนะนั้นตาหูจมูกเลนกายใจเนะี่ยต้องการเพื่อที่จะสละบริจาคคําว่าบริจาคในที่นี้บริจาคยังไง บริจาคหมายถึงตัดฉันธราค่าในอาหูจมูกลิ้นกายใจบริจาคด้วยการตัดต้นเหตุแห่งตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็แล่นไปในอสังคาตาธาตุอนี้อย่างที่เรากําลังศึกษากันอยู่ถึงสังขารุเปกขาญาณเนี่ยเป็นการที่เรียกว่าต้องการพ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจคิดหาอุบายเพื่อจะให้มันพ้นจากอาหูจมูกลิ้นกายใจนะ ก็โดยนะักวิชาของเรานะี่ยมันมันเป็นอีกวิชาหนึ่งที่มันตรงกันข้ามกับวิชาที่มีอยู่ในโลกวิชาในโลกทํายังไงตาจะได้แข็งแรงถาวชนใช้งานได้มาก น, นะก็ไปเน่นเน้นอย่างนั้นใช่ไหมทํายังไงสุขภาพจะได้แข็งแรงมีอายุยืนนานคนละสายกันเลยะอันนี้เป็นสายสายหนึ่งบอกว่าทํายังไงจะพ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ก็เหมือนกับ พระเถรรูปเนี่ยเขบอกว่าเขาต้องการหาหมอผ่าตัดคือผ่าตัดกิเลสเป็นการผ่าตัดที่เรียกว่าอาวุธก้มไม่ขอดเรียกว่าเนื้อหนังมังสาก็ไม่ถลอกอาวุธก็ไม่แทงแต่สิ้นกิเลสนะนะการผ่าตัดแบบนั้นน่ะนี้ก็เหมือนกันเป็นการผ่าตัดทางความคิดเนี่ยนะทางทางจิตใจเนี่ยนะเพราะเครื่องมือที่ผ่าตัดคืออะไรคือปัญญาเนี่ยนะปัญญานี้เป็นอุปกรณ์ในการผ่าตัด อันนี้ปัญญาที่น้อมกลับหมุนกลับเพื่อต้องการให้พ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะกระว่า ง, งอกลับพลกลับท่าอุบายวางแผนโดยวิธีประการต่างๆเพื่อที่จะให้พ้นจากอาหูจมูกลิ้นกายใจเน่ยนะคิดดูนะว่าถ้าพูดถึงท่าอริยสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านเหล่านั้นท่านก็เก่งๆจริงๆนะท่านทาได้เออเนี่ยนะซึ่งผู้ที่พ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะ ตาหูจมูกเลนกายใจของท่านเหล่านั้นเนี่ยถ้าถ้าเราเทียบแบบแบบแบบให้เน้นกันเลยนะท่านเหล่านั้นเนี่ยเป็นตาหูจมูกเลนกายใจชั้นเยี่ยมนะเช่นว่าตาหูจมูกเลนกายของท่านเนี่ยดํารงในชาติตระกูลกษัตริย์ชาติตระกูลพรามหรือว่าเป็นคนที่เรียกว่ารูปงามกันเป็นต้นเลยนะเป็นคนสวยคนรวยคนดีๆทั้งนั้นน่ะแต่ว่าคนเหล่านี้ตัดชั้นราคาในตาหูจมูกเลนกายใจได้อ่ะท่านเก่งถนาดนั้นอ่ะนะ ท่านคิดกันได้ยังไงเนี่ยนะอันนี้คือคือสิ่งที่เราจะต้องอมาคิดมาศึกษาตามร่องรอยของท่านเนี่ยนะท่านมีวิธีการคิดของท่านจนสามารถตัดฉันทราคาในตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ทั่นก็นับว่ายอมรับในความปฏิบัติ ด, ดีของท่านนะนะซึ่งปกติสัตว์ทั้งหลายนี้ก็มีความรักมีความติดข้องมีฉันทราคาในตาหูจมูกลิ้นกายใจ แล้วก็อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยทําบาปอย่างมากเนี่ยนะทีนี้ผู้ที่อจะพ้นไปจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยก็ต้องเห็นว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นของที่น่าน่ากลัวนะนะากลัวถามว่าน่ากลัวยังไงนะก็น่ากลัวเพราะว่าไม่เที่ยงอย่างหนึ่งเป็นทุกข์อย่างหนึ่งแล้วก็เป็นอนัตตาเมื่อสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี้จึง น่ากลัวอันนะัยตูปัฏานยานอาทีนวายานนิพิธายานก็คืออย่านเดียวกันถ้าบอกว่าน่ากลัวกับเบื่อหน่ายเนี่ยนะกับเห็นว่ามีโทษเนี่ยคือสิ่งเดียวกันเหนะ็นไหมแั้นทํำยังไงที่เรียกว่าของของเราทั้งหลายนะก็พายนะถามเถอใครเคยเบื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจบ้างกันนะโอ้รู้สึกกาคาญมากๆเลยนะกับตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะนะแต่ถ้าเป็นบางอย่าง น, นะนะอาจจะนึกออกในชะ่ไหม อันนี้ของของมนุษย์เหล่านี้พอพิจารณาเห็นแล้วก็พอจะเบื่อได้เป็นครั้งคราวนะครับถ้าได้รับสิ่งที่เป็นอนิธารมเนี่ยแต่ถ้าเป็นเทวดาเนี่ยเขาจะเห็นได้หนยิ่งยิ่งยากกว่ามนุษย์มากมครับเนี่ยเพราะว่าอารมณ์มันก็ไม่เห็นน่าจะเบื่อเลยคร อ, อการการเจริญเนี่ยนะ กังเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์เนี่ยเห็นทุกข์โดยเป็นลูกศรเห็นทุกข์ข้ามสุขโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยเพระนความสุขของเทวดาทั้งหลายเนี่ยถึงกับว่าเหมือนดีเหมือนประณีตเนี่ยเทีท่ยงหรือ <reinforced. S 1> ไม่เที่ยงก็เป็นสภาพที่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอันสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์อันในสิ่งที่ตามเห็นว่าอเป็นทุกข์ในสิ่งที่ไม่เที่ยง แล้วก็ตามเห็นโดยความเป็นอนัตตาในสิ่งที่เป็นเป็นพวกเหล่านั้นถ้าเขาตามเห็นอย่างนี้บ่อยๆเขาจากเบื่อหน่ายนะะก็ก็จะเบื่อหน่ายว่าถึงสภาพแห่งความเป็นเทวดาก็ไม่เป็นของยั่งยืนอะไรนะนะมันก็เป็นเหมือนเหมือนเมืองเมืองมายากลเท่านั้นเองเป็นเมืองที่มีความสุขอยู่ชั่วคราวซึ่งเทวดาทั้งหลายก็มีอายุจำกัดคือการไปอยู่เป็นเทวดานะ เรียบง่ายๆก็เหมือนกับอยู่บนเครื่องบินไะ อ, อาหารอร่อยอะไรสบายหมดเลยนะถามาอยู่ได้นานไหมเราะถ้าอยู่แบบสบายๆหน่อยนะอยู่ได้นานไหมถ้าไม่รีบลงนะอะไรจะเกิด <c oughs> เดี๋ยวเครื่องมันจะพาลงเองกันไม่ต้องห่วงกนะันนะเกิดใหม่กันนะั้นนะทัานเทวดาจริงๆอ่ะนะมันก็เป็นความสุขที่เรียกว่าระยะสั้นๆถามว่าสั้นหรือไม่สั้นอ่ะนะถ้าเทียบกับวัตะอันยาวนานเนี่ย ถ้าถ้าเราลองคิดดูนะถ้าทุกคนเนี่ยไปเกิดเป็นเทวดาอยู่จาตุมเลยนะห้ายร้อยปีที่ประมาณเก้าล้านปีเราในเก้าล้านปีเนี่ยเราคิดดูถ้าลงจากกาตุมแล้วจะเลยไปไหนอ่าถ้าถ้าถ้าถ้หลุดจากกาตุมแล้วจะไปที่ไหนต่อนี่นะถ้ามาเป็นมนุษย์มาเป็นมนุษย์เนี่ยพุทศาสนาหมดไปตั้งนานแล้วพระพุทธเจ้าเขาไม่มีใครได้ยินแล้วสมัยนั้นนะ นี่มาทำยังไงกันนี่แล้วจะไปเกิดอยู่ทิดว่าศาสนาไหนจะครองโลกกันนี่ไม่ใช่พูดแน่เพราะพูดหมดตั้งแต่สองพันรยังไม่ถึง2 5 0พันรอปีข้างหน้าเนี่ยหมดไปตั้งนานแล้วถึงม่มามายุคหน้าก็ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนอีกเหมือนกันนะก็นับว่าแล้วเราก็เจอพระศาสนาพระสีอาร์บอกว่ารอไปอีกหลายพันล้านปีนะไม่รู้อีกพันล้านปีพระสีอาร์จะมาหรือ ย, ยังก็ไม่รู้ แล้วในระหว่างนี้นะแล้วคิดไม่จะไม่ทําบาปบ้างเลยหรือทําบาปแล้วยาวเลยนะเขาสี่อ่านมาตรัสรุนแล้วนะมาปลายปลา ย, ลายาศาสนามันอีก่าจะก็จะเดือดอนแบบเดิมอีกแล้วก็ก็น่ากลัวมีตั้งตั้งหลายอย่างนะเพราะวัดมันมันไม่มีอะไรถาวนไม่มีอะไรมันมันมั่นคงได้นะคือฐานที่จะทําให้ออกจากวัดได้คือพระพุทธศาสนาอย่างเดียว ถ้าถ้าเราไม่ได้บำเพ็ญบารมีถึงขนาดเรียกว่าเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเราต้องทําบุญเพื่อให้เกิดทันพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งหรือทันพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเพื่อจะได้อาศัยท่านเนี่ยนะอาศัยท่านเนี่ยแล้วก็จะได้พ้นพ้นจากวัตรทุกข์ท่านถ้ า, ถ, าถึงไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยนะครับหมดอายุจากเทวดาเพราะว่าบุญที่เอ้ก็ไปบาปที่เราทําไว้นั้นไม่เคยลืมเราเลย เนี่ยนะถึงเราจะแกล้งลืมก็ตามอะไรก็ตามเนี่ยนะไม่สิ่งทั้งหลายนะโดยเฉพาะอากุศลเนี่ยไม่เคยลืมเหมือนกับว่าอยู่ๆนะเราก็ุตสักทั้งกินอาหารกินอิน่มนอนหลับพักผ่อนเพียงพอหมดอล้นะบาปมันให้ผลนั้นมันป่วยเฉยเลยใช่ไหมมันก็ไม่เลือกเวลาเหมือนกันนะแล้วมันก็ไม่เลือกตําแหน่งที่จะปวดเหมือนกันไม่เลือกตาแหน่งที่จะป่วยก็มีคําถาวมรมาในร่างกายเนี่ยส่วนไหนมั่งป่วยไม่เป็นเห็นไะมันก็พร้อมที่จะเป็นโรคได้ทุก ทุกตำแหน่งของร่างกายเพดังนั้นก็นั่นแหละบาปมันให้ผลได้ทุกแห่งแล้วที่ไหนบ้างเราปฏิสนธิไม่ได้เราอะไรเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองว่าฉันจะไม่ไปอบายสมมติถชาตินี้นะอย่างไรเสียเราก็เป็นสิทธิ์เนียจารย์นะคือมีพระพุทธเจ้าเป็นเป็นอาจารย์เป็นศาสดาอาจารย์เนี่ยนะเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์เราก็นับถือพระองค์อันนี้ก็พอเป็นเครื่องมือที่จะรับประกันว่าอืม ชาติหน้านี่ก็ยังมีหวังว่าปิดอบายได้แล้วต่อไปต่อไปแหละถ้าถ้าถ้าชาตินี้ไม่ได้โสดาปฏิมาและชาติหน้าเป็นไปได้ไหมเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดว่าโสดาปฏิมาเกิดในชาติหน้าเป็นตัวตั ว, ต, วตัวที่จะทําให้ปิดอบายได้ดังนั้นการภาคเพียรในการเจริญการปฏิบัติอนะเพื่อจะให้รู้แจ้งแทงตลอดอริยศาสตร์เนี่ยจึงเป็นกิจที่ควรรีบทําเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าเวลามันทุกอย่างจํากัดหมดเลย น, นะทีนี้อายุความเป็นมนุษย์ก็จำกัดเนี่ยนะถ้าเป็นเทวดาเทวดาก็อายุคแค่หน่อยเดียวทั้งหมดจากเทวดาก็ความสุขนะถึงจะเก้าล้านปีมันก็ไม่นานหรอกเชื่อครับเนี่ยนะชีวิต ท, ที่แสนจะสบายนะเหมือนกับแป๊บเดียวแต่แต่ความทุกข์นะเหมือนกับรอรถห้านาทีเนี่ยนะแดดร้อนด้วยนะรอห้านาทีวูวูทำไมนานจังอย่างเนี่ยนะแล้วก็ก็เป็นอย่างนั้นแหละ ท่นแม้กระทั่งเทวดาก็ไม่ได้จีรังยั่งยืนในขณะเดียวกันเนี่ย่ะเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีอะไรเป็นที่มายินดียินดีแล้วในอะไรท่านเมื่อเมื่อทุกอย่างเนี่ยนะสมบูรณ์หมดดีหมดใครมั่งไม่เลิดเพลินอ่ะเนี่ยทุกอย่างสบายหมดนะเช่นเรื่องสุขภาพก็ดีแข็งแรงจะไปไหนมาไหนก็ได้ดังใจนึกเรงก็เพราะอะไรเป็นต้นเนี่ยนะถามว่าเราจะมาสนใจอริยสัจไหมตอนนั้น นับว่ายากมาก น, นะก็ะคือตอนที่เขาบกว่าทุกคนมีความสุขทุกอย่างราบรื่นหมดเลยนะแล้วหันมาศึกษาธรร ม, มะนะมีไม่กี่คนที่ตัวเองไม่รู้สึกว่ามีความทุกข์ความร้อนอะไรสักอย่างเลยนะแล้วมาศึกษาธรร ม, มะนะเท่าที่รู้จักมีน้อยมากไม่รู้จักหรือเปล่าเขาไม่รู้นะยังแต่ว่าพูดเผื่อไว้สักนิดหนึ่งว่าน้อยมากกันนะที่เรียกว่าทุกอย่างสบายหมดสมบูรณ์แบบหมดทุกอย่างดันใจนึกหมด แล้วเบื่อแล้วเกินที่มันสมบูรณ์แบบไปหมดเนี่ยนะแล้วก็เลยมาศึกษาธรรมะเพื่อให้พ้นจากทุกข์มีไหมล่ะนะก็มีก็โอ้โหเป็นผู้มีบุญมากนะก็นุม่มที่ตาด้วยก็แล้วกันเป็นผู้มีบุญมากเรียกว่าชีวิตสมบูรณ์แบบแล้วก็ต้องการออกจากทุกข์เนี่ยนะ